คำปรารถยอดนิยายของโลกที่ไขความเป็นมนุษย์นี้เหตุมาจากอาตมาอ่านพบมหานิทานสูตรจากพระไตรปิฎกแล้วก็สว่างโพลงทันทีว่าโอ้ความจริงของชีวิตมนุษย์ พระพุทธเจ้าทรงไขความลึกและความลับไว้ชัดเจนยิ่งตรงนี้เองเป็นสูตรสำคัญหนึ่งในอีกมากอื่นอาตมาจึงเจตนานำมาสาธยายขยายความขึ้นเพื่อให้เข้าใจเพิ่มและสามารถยืนยันความจริง ของพุทธธรรมได้อย่างมั่นใจยิ่งหากผู้ใดได้อ่านดูแล้วแม้แค่ในเล่มนี้ก็จะเกิดรู้สึกได้ว่ามีอะไรที่แตกต่างไปจากที่เราได้รู้ได้ศึกษามามากมายหลายหลากประเด็นที่เรามีทิฏฐิมาก่อนมากเก่า และยึดในชีวิตมาตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันนี้แต่พอได้มาอ่านจากหนังสือเล่มนี้แล้วก็จะเอ๊ะมันยังไงกันนี่สมณะโพธิรักไปเอาอะไรมาเขียนให้อ่านไม่เคยได้ยินอะไรอย่างนี้คิดเองใช่ไหมที่เขียนออกมานี่ เองนั่นใช่แต่คิดนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ความคิดตักกะวิมังสาแต่เป็นความจริงที่อาตมามีมาในตนอันมีอันเป็นอันได้มาแล้วแต่ปางบันซึ่งอยู่ในสัญญาความจำ และขอพูดว่าเป็นสยางอภิน ญ, ญาความรู้พุทธธรรมที่เป็นโลกุตรธรรมของตนเองที่มีแล้วเป็นปา จ, จต่างเป็นปาเจกภมูมาแล้วซึ่งพุทธศาสนาผ่านการเวลามาถึงวันนี้พุทธธรรมที่เป็นโลกุตระ มันเสื่อมหายกลายคืนไปเป็นโลกียธรรมเกือบหมดแล้วพออาจจะมานำโลกุณลธร ร, รมพออาจะมานำโลกุตรธร ร, รมอันเป็นอาเรียะที่เป็นอาเทวานิยมมาพูดขึ้นผู้รู้ยุคนี้ก็จะแย้งทันทีหัวชนฝาและจะเห็นว่า อาจจะมาเอาสิ่งผิดมาพูดเอาความสุดโต่งมายึดถือมันเป็นไปไม่ได้หรือจะเห็นว่าแค่อวดเคร่งสร้างภาพก็เอาเธออาจจะมาขอยอมให้คนตู่หรือเข้าใจเช่นนั้นเพราะผู้จะพอมีปัญญารู้ว่าพฤติกรรมที่เคร่งได้จริงแล้วนั้น จะเป็นปกติธรรมดาเป็นสามัญของชีวิตเขาเขาไม่ได้แซงเคร่งสมณะโพธิรัก